มีสตินะมีสติต่อเนื่องพยายามฝึกเขาหัดรู้สภาวะไปอย่าเห็นร่างกายมันนั่งร่างกายมันเคลื่อนไหวคอยรู้สึกการที่เราคอยรู้สภาวะเรื่อยๆอย่างเรารู้ร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึก ต่อไปพอร่างกายเคลื่อนไหวเนียสติจะเกิดเองจะรู้สึกเองไม่ต้องตั้งใจก่อนจะถึงจุดนั้นก็ต้องตั้งใจก่อนตอนหลวงพ่อภาวนากับหลวงพุ ด, ดูลยท่านบอกว่าหลวงพ่อช่วยตัวเองได้ลนะ้หลวงพ่อก็ออกไปดูสำนักต่างๆ ที่มีชื่อเสียงไปเจอวัดสนาไหนไปดูหลวงพ่อเทียนเห็นท่านสอนขยับสิบสี่จังหวะท่านหลวงพ่อก็อไปลองทำดูไปนั่งอยู่ในวัดท่านเลนั่งขยับขยับไปเรื่อยต่อมา ฝึกอยู่ไม่กี่วันเล่นอย่างของต่านไปนั่งขยับอยู่ในวัดท่านสิบสี่ังหวาขยับแล้วมันไม่ชินหลวงพ่อเป็นพวกโทสาจริตกรรมฐานอะไรที่ยุ่งยากมากมีตั้งสิบสี่ังวะมันลำคาญหลวงพ่อเลยเหลือสองจังหวะแค่เนี้ยกรแล้วแบกรแล้วแบแค่ น, คนี้ฝึกแค่เนี้ย ทำเรื่อยๆตรงที่เราขยับอย่างเนี้ยให้เป็นสมถะก็ได้เป็นวิปัสสนาก็ได้นะอย่าเราขยับแล้วจิตมันสงบอยู่กับการขยับเนะี่ยจิตรวมลงไปเลยนั่งอยู่ในวัดสนามในนั่นแหละจิตลงผวางไปแล้วเห็นจิตมันขึ้นจากผวาง ขึ้นมาที่แรกมันสว่างขึ้นมาสว่างขึ้นมากระทบนมามธรรมกระทบความรู้สึกตัวจิตก็ปรากฏขึ้นที่จริงมันมีจิตตั้งแต่มันอยู่ในภาวังแล้วล่ะก็มีจิตตลอดแต่มันไม่ปรากฏพอมันขึ้นจากภาวัง ควมรู้สึกแรกก็คือมันสว่างขึ้นมากระทบเข้ากับความรู้สึกนึกคิดจิตก็เกิดขึ้นแล้วมันขยายความสว่างออกไปอีกช็อตหนึง่งกระทบร่างกายร่างกายก็เกิดขึ้นเห็นแล้วนี่แหละวิญญาณอย่างลงนามรูปก็เกิดขึ้นปรากฏขึ้น แต่เนี่ยไม่ใช่เป้าหมายของการขยับนะมันไปเห็นเข้าพอดีที่วัดสนามในมันกลับมาบ้านมันขยับขยับเรื่อยๆแค่เนี้ยวันหนึ่งเห็นเพื่อนเก่าไม่เจอนานแล้วะเพื่อนสนิทมันเดินอยู่คนละฝั่งถนนพอเห็นเพื่อนนะคาสติเลยดีใจ พอดีใจเนี่ยนะหลวงพหันซ้ายหันขวาดูไม่มีรถนะยังไม่มีสตินะตอนนั้นยังดีใจอยู่มองซ้ายมองขว า, าก้าวเทาว้ทาเท้าเคลื่อนเทะนะ่านั้นสติเกิดเลยจากกาลังหลงหลงอยู่นะก็รู้สึกตัวขึ้นมาทั่วพร้อมรู้สึกกายรู้สึกใจขึ้นมาได้เลยเลยรู้โอ้ที่เราฝึกขยับขยั บ, ยบร่างกายนะี่คือส่วนของกาย ต้าไปจิตมันจำสภาวะที่ร่างกายเคลื่อนไหวได้เราฝึกขยับมือพอเท้าขยับท้า ข, ขยับสติก็เกิดเมื่อเราหัดภนาะวนาทำกรรมฐานในสักอย่างหนึ่งใช้กายก็ได้ใช้เวทนาก็ได้นะ ใช้จิตที่เป็นกุศลอกุศลก็ได้อันแดอนหนึ่งส่วนธรรมานุปนะัสนามันยากขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งเบื้องต้นเอากายเอาจิตมันก็เวทนาไปก่อนพอชำนิชำนานในการปฏิบัติ้มันจะขึ้นธรรมานุปัสนามันเองหัดรู้สภาวะบ่อยๆ อ, อย่างหลวงพ่อ ไปเรียนดูจิตกับหลวงปู่ดุลท่านบอกให้ดูจิตหลวงพ่อกลับไปจ้องจิตไปเพ่งอยู่ที่ตัวจิตจับอยู่ที่ตัวผู้รู้นิ่งเฉยอยู่นะสว่างสบายไปส่งกันบ้านหลวงปู่บอกว่าดูจิตได้แล้วท่านบอกว่านั่นเป็นการแทรกแสงอาการของจิตจิตมีธรรมชาติชิดนึกปรุงแต่ง เราไปทําจนมันไม่คิดไม่เนึกไม่ปรุงไม่แตะเฉยๆบอกทําผิดแล้วไปดูใหม่ไอ้ที่ถูกเป็นไงท่านก็ไม่บอกท่านบอกไอ้ที่ทํามันผิดไปรักษาจิตยอยู่เฉยๆนั่นหลวงพ่อเลยพูดเต็มปากเลยนะอย่างลูกศิษย์หลวงปู่ดูลบางคนบอกว่ารักษาจิตเอาไว้ให้นิ่งให้ว่างไม่คิดไม่เนึกไม่ปรุงไม่แตะรักษาไปเฉยๆ หลวงพ่าโดนองคูเชงมาแล้วมันไม่ใช่ทางผิดนั้นเป็นสมถะก็เลยกลับมาดูใหม่ดูเดี๋ยวจิตก็สุขเดี๋ยวจิตก็ทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายหมุนเวียนเปลีป่ยนแปลง เ, เ, เดี๋ยววิ่งไปดูเดี๋ยววิ่งไปฟังเดี๋ยววิ่งไปดมกลิ่นวิ่งไปลิ้มรสวิ่งไปรู้สัมผัสทางกายวิ่งไปคิดทางใจเห็นจิตมันทางาน ไม่ได้ทาจิตให้นิ่งหลวงพ่อเป็นพวกโสทสะจริตขีโมโหงั้นตัวหงุดหงิดนะ้เกิดบ่อยภาวนาไปแล้วมันเห็นตัวหงุดหงิดนะั้นเกิดที่ยิบเลยมีอะไรนิดนิดหน่อยหน่อยใจมันก็หงุดหงิดไปหมดรถติดก็หงุดหงิดร้อนก็หงุดหงิดฝนตกก็หงุดหงิด แดดแรงๆก็งุญหญนหงิดน่หัดเห็นสภาวะความงุญหงิดในใจในสุดจิตมันจำสภาวะความงุนหงิดได้พอความงุนหงิดผุดขึ้นมานะสติเกิดเองความงุญหงิดดับอัตโนมัติในการฝึกให้เกิดสตินะเราคอยดูสภาวะไป สภาวะอะไรที่มีบ่อยๆก็เอาสภาวะ น, นั้นแหละนเราขี้หงุดหิดเราก็ดูเดี๋ยวก็งุดหิดเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็หงุดหิดเดี๋ยวก็หายถ้าคนขี้โลภก็ไปดูเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็หายโลภมันก็คืออยากได้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใ จ, ใจอยากดูอยากฟังอยากดม ก, กลิ่นอยากริมรสอยากรู้สัมผัสทางกาย อยากปฏิบัติดีๆอยากปฏิบัติต่อเนื่องตัวอยากทั้งหลายนั่นแหละวันไหนที่โลภน้ำความอยากมันเกิดทั้งวันเลยเราก็เอาตัวโลภตัวอยากนี่นแหละเอามาทำกรรมฐานอยากพุบรู้ปั๊บอยากพุบโล้ปั๊บไปเรื่อยๆต่อไปความอยากใดๆเกิดขึ้นนะสติจะเกิดเองจะรู้ทันเอง นี่อย่างหลวงพ่อหัดดูตัวโกรธเห็นตัวโกรธเกิดดับเกิดดับต่อไปสติมันเร็วนะมันไม่ใช่แค่รู้ว่าความโกรธเกิดแล้วดับไม่ว่าสิ่งใดเกิดขึ้นในจิตใจสติมันก็เห็นหมดเลยเพราะมันเห็นตัวอย่างมาแล้วมันฝึกซ้อมการเห็นการเกิดดับเนะี่ยจากการดูตัวโกรธงันเบื้องต้นเอาตัวเด่นๆของเราก่อน แล้วต่อไปเห็นทุกตัวเห็นเองแล้วไม่ต้องแต่เกียกส ก, กายไปเห็นหรอกยังมันจําได้ะอยังความโกรธมันผุดขึ้นจากกลางอกมันผุดขึ้นมาหรือความโลภตัณหาอะไรเงี้ยผุดขึ้นจากกลางอกเราก็รู้ ร, รู้รู้ไปด้วยต่อไปไม่ว่าตัวอะไรนะผุดขึ้นมาเนี้ยมันรู้หมดเลยตัวสุขตัวทุกข์ตัวดีตัวชั่วผุดขึ้นมาจากกลางอกเรานี่เราก็รู้หมดเลย ตรงกลางอกเนี่ยเป็นที่ตั้งที่ที่เกิดของนามนธรรมจํานวนมากเรียกว่าหาทายรูปหาทายาวัตถุทีเรียกย่อๆว่าวัตถุตัวหาทายรูปเป็นรูปอย่างหนึ่งแต่ว่านามนธรรมเนี่ยจํานวนมากเนี่ยพุดขึ้นจากตัวนี้เอง ในตำราสอนกันว่าอัจยรูปเป็นน้ําเลี้ยงหัวใจอยู่ในหัวใจหลวงพ่อไปดูในหัวใจไม่เห็นอัจยรูปนี่ก็สงสัยว่าอัจยรูปมันคืออะไรไปดูนิยามของมันอัจยรูปมันเป็นที่เกิดของนามธรรมาำจำนวนมากเพราะฉะนั้นนามธรรมมันผุดขึ้นตรงไหนตรงนั้นแหละอัยรูป พราบว่ามันไม่ได้อยู่ในหัวใจหาทยักตัวนี้ไม่ได้แปลว่าหัวใจแปลว่ากลางหลวงปู่เทศท่านนึงสอนคําว่าใจใจแปลว่ากลางอย่างเป้ายิางปืนตรงกลางก็เรียกใจกลางสิ่งที่เรียกว่าใจคือตัวกลางจุดกลางมือเนี่ยท่านเรียกใจมือภาษาโบราณใจแปลว่ากลางตัวหาไทยนะย อาารมหาบัวหลวงพ่อคุณจะเรียกท่านว่าอาจารย์มหาบัวคำว่าหลวงตามหาบัวมันมาทีหลังนะรุ่นแรกๆไม่ไปเรียกท่านหลวงตาเรียกท่านท่าอาจารย์มหาบัวท่านก็สอนบอกทำแท้เกิดขึ้นกลางอกไม่ได้บอกเกิดจากหัวใจ ถ้าฮัตถยรูปอยู่ในหัวใจนั้นถ้า่าตัดเปลี่ยนหัวใจเอาหัวใจของคนอื่นมาที่มีหัยรูปต่างกันนะันนี่ใสใจขอต้องเปลี่ยนนี่มันไม่เปลี่ยนหรอกนคนละเรื่องกันใันมหาบัวนะบอกทำแท้เกิดขึ้นกลางอกลองดูสิสุขเกิดขึ้นก็ผุดขึ้นมาจากกลางอกนี่สุขทางใจนะสุขทางกายมันก็ไปเกิดทั่วทวกาย ทุกทางใจเขาผุดขึ้นกลางอกความดีความชั่วความโลภความโกรธความหลงอะไรมันผุดขึ้นมาเผ่านาไปเรื่อยๆงันในตำราเลยบอกว่าอาตยารูปเป็นที่เกิดของนามธรรมาำจํานวนมากไม่ใช่นามธรรมา ท, ทั้งหมดอย่างเวทนาทางกายไม่ได้เกิดจากตรงนี้อย่างมดกัดยุงกัด แข้งขาขานแขนขัานอนะไรเนเวทนาเกิดที่กายตัวเวทนาเป็นนามธรรมหรือว่าเวทนาส่วนน้อยเกิดที่อื่นตัวนามธรรมส่วนใหญ่นะมันจะเกิดที่ใจที่หัตยะนี่องนี่อย่างเราหัด เห็นความโกรธเกิดแล้วรู้เกิดแล้วรู้ต่อไปตัวอะไรผุดขึ้นมาเราก็เห็นเองแหละจะเห็นไปหมดอนะทำแท้เกิดขึ้นกลางอกสิ่งที่เรียกว่าทำแท้ประกอบด้วยอะไรบ้างกุศลธรรมก็เกิดขึ้นกลางอกอกุศลธรรมนี่ก็เป็นทำแท้โลกโกรธหลงก็เป็นทำแท้มรรคผลก็เกิดขึ้นกลางอก เวลาอรยยมรรคเกิดเนะี่ยมันแหวกออกจากกลางอกอริยผลก็เกิดขึ้นตรงนี้ส่วนนิพพานไม่เกิดนิพพานไม่ได้มาเกิดกลางอกนะนิพพานไม่มีเกิดนิพพานมีอยู่แล้วจิตเราไม่มีคุณภาพคือจิตเรามีตัณหาก็ไม่เห็นนิพพานเมื่อไร่รู้เท่าทันตัณหาเชี่ยวชาญจริงนะตัณหาดับลงไปนะ จะเจอสภาวะของนิพพานนิพพานคือสภาวะที่สิ้นปัญหานี่เราหัดดูสภาวะไปเรื่อยสภาวะทางกายก็ได้ดูสภาวะในใจมันผุดขึ้นมาจากกลางอกแต่อย่าไปจ้องอยู่ที่กลางอกนะถ้าไปนั่งรอดูจ้องลงไปที่กลางอกมันจะไม่มีอะไรผุดเลยมันจะเฉย งั้นเราอย่าไปเพง่งอย่าไปจ้องหลักของการดูจิตก็คือก่อนดูอย่าอยากดูถ้าอยากดูม magazine, ันจะไปจ้องไปรอดูะให้มันเกิดขึ้นเองแล้วค่อยมีสติรู้ให้มันเกิดสุขขึ้นมาแล้วค่อยรู้ให้มันเกิดทุกข์ขึ้นมาแล้วค่อยรู้เกิดกุศลแล้วค่อยรู้โลภโกรธหลงเกิดขึ้นแล้วค่อยรู้ตามรู้ไปนำมันทํามาให้ตามรู้ มันเกิดขึ้นก่อนแล้วก็สติระลึกรู้ไม่เหมือนรูปธรรมนะรูปธรรมอย่างนี้กำลังเคลื่อนไหวรู้ได้เลยว่ากำลังเคลื่อนไหวกำลังนั่งกำลังเดินกำลังหายใจแต่นา ม, มารรมจะเป็นโลภแล้วโกรธแล้วอ้อโกรธแล้วจะรู้อย่างนี้แต่ไม่ใช่เมื่อวานโกรธวันนี้รู้นะน่นใช่ไม่ได้ครับต้องตามแบบกระชั้นชิดติดติดกันไปเลย ก็หลังไปเลยเรียกสันตติต่อเนื่องไปเป็นปัจจุบันสันตติคือต่อเนื่องกับปัจจุบันจริงๆปัจจุบันเลยมีสองงานนะปัจจุบันขณะกับปัจจุบันสันตติปัจจุบันขณะเนี่ยขณะเนี้ยกำลังเคลื่อนไหวดูรูปธรรมเนี่ยขณะนี้เป็นปัจจุบันขณะเลยแต่ดูจิตเนี่ยอย่างความโกรธเนี่ยในขณะที่ความโกรธเกิดนะสติไม่มีหรอก าสติไม่เกิดพร้อมกิเลสแต่ว่าเราจะดูจิตดูใจมันจะเป็นปัจจุบันสันตติต่อเนื่องกับปัจจุบันก็ทำมิปัสนาได้นะไม่ใช่ต้องปัจจุบันขณะไม่มีใครดูจิตเป็นปัจจุบันขณะได้ถึงพระอาหารหันยุคโบราณท่านก็ทำไม่ได้ไม่มีใครทำได้เพราะในขณะที่มีกิเลสมันไม่มีสติที่จะไปคอยรู้ทัน มันจะตามรู้อย่างกระชั้นชิดพอความโกรธผุดขึ้นจากเราอกวุบสติรู้เลยว่าความโกรธผุดขึ้นมามันก็ดับให้ดูมันดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับไปตัวนี้จเจริญวิปัสสนาอยู่ถ้าดูรูปก็เห็นนะรูปนี้กำลังนั่งรูปนี้กำลังหายใจรูปที่กำลังนั่งไม่ใช่ตัวเรา รูปที่กำลังหายใจไม่ใช่ตัวเรารูปที่ยืนที่เดินที่นอนอะไรเนี่ยไม่ใช่ตัวเรายัางขนาดนี้นั่งอยู่นั่งอยู่รู้ลงไปรู้สึกสบายๆอย่าไปเพ่งรูปถ้าไปเพ่งร่างกายนั้นก็ใช้ไม่ได้นะแค่รู้สึกเแค่รู้สึกเท่านั้นแค่ระลึกรู้ะระลึกรู้ไม่ได้แปลว่าเพ่งจ้องสติเป็นแค่ตัวระลึกรู้ไม่ได้แปลว่าเพ่งจ้อง เพ่งจ้องเนี่ยมันเป็นการะระลึกรู้ที่เจือด้วยความโลภอยากรู้ชัดๆอยากรู้ต่อเนื่องอยากรู้ไม่ให้พลาดสายตามีคำว่าอยากนี่เราค่อยๆรู้ค่อยๆดูของเราไปนะทุกวันทุกวันเก็บแต้มไปเรื่อยๆยิ่งดูได้บ่อยสติเราก็เกิดเร็วนานๆดูทีสติไม่ค่อยเกิด อย่างเมื่อก่อนหลวงพ่ออยู่ที่สวนโพนะบวชใหม่ๆอะ่ะก็มีพวกเด็กๆเข้าไปเรียนพวกนี้มันเคยเห็นหลวงพ่อตั้งแต่เป็นโยมคล้ายๆเดินกระทบไหลกันมาบอกอะไรไม่เชื่อหรอกกูเก่งมาทั้งนั้นนะหลวงพ่อบอกว่าให้ดูจิตไปเลยมันบอกมันดูไม่ได้มันจะต้องพุดโธ ก, ก่อนบอกไงก็ไม่ฟังนะ ที่จริงอะ่ะจิตมันมีคุณภาพที่จะดูการทำงานของจิตใจความเปลีป่ยนแปลงของจิตใจได้ละก็ยืนกลาดจะต้องไปพุทโทก่อนเออตามใจบอกหลวงพ่อนะว่าถ้าเอาดีไม่ได้จะไม่มาให้หลวงพ่อเห็นอีกเลยนี่ผ่านมาเกือบยี่สิบปีแล้วยังไม่เห็นเลยอีกคนหนึ่งหลวงพ่อบอกให้ดูจิตตัวเอง เขาก็บอกว่าเขาทำกรรมฐานอย่างอื่นได้ไหมถามว่าจะทำอะไรว่าถ้าฟ้าร้องเขาจะรู้สึกตัวเราฟังแล้วเราก็ถอดใจนะสอนให้มันดูจิตใจตัวเองเนี่ยซึ่งมันมีความเกิดดับเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่เอาหรือหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกเนี่ยมันเกิดตลอดเวลาไม่เอาจะไปเอาฟ้าร้องแล้วรู้สึก ปีนึงมันร้องกี่ครั้งเพราะฉะนั้นชาตินี้เธอไม่มีวันเกิดสติเลยถ้าเอาฟ้าร้องมาทํากรรมฐานหนึ่งนะแต่ถ้าเอาฟ้าร้องฟ้าผ่ามาประกอบการดูจิตได้นะอย่างเราดูจิตของเราไปเรื่อยจิตกาลังสบายอยู่ฟ้าผ่าเปลี่ยนลงมันมเนี่ยจิตสะดุ้งตกใจเนะีนะ่ยเราเห็นจิตมันตกใจอะไรอย่างนี้ได้แต่แตนไว้นั่งรอนะจะฟังเสียงฟ้าร้องเมื่อไหร่มันจะร้อง ถ้ายุคนี้อาจจะง่ายหน่อยนะไม่อาจเสียงฟ้าร้องไว้เปิดทั้งวันเลยซึ่งก็เหลวไหลแต่ก่อนมีนะบางคนไปทำนาฬิกาพิเศษนะมันปลูกทุกสองนาทีปลูกแล้วบอกดีนะทำให้สติเกิดทุกสองนาทีพอนาฬิการ้องก็อ่ะรู้สึกตัวแล้วก็เผลอไปสองนาทีนาฬิการ้องใหม่รู้สึกอีก สุดท้ายนาฬิการ้องแล้วไม่ได้ยินเสียงอะไรที่ได้ยินซ้ำซากมันจะไม่ได้ยินคราวนี้เลยสบายเลยนะหลงเพลินได้ยาวเลยนาฬิการ้องก็ไม่ได้ยินมันเหมือนบ้านเราอยู่ริมถนนเนี่ยได้ยินเสียงรถวิ่งโครงครามทั้งคืนเราก็นอนหลับได้สบายเราไม่ได้ยินเลยพอไปอยู่ในป่าเงียบสงัดนะโอ้เสียงมแมลงเสียงอะไรสนั่นหวั่นไหว หลวงพ่อเป็นคนกรุงเทพะกรุงเทพเกิดกรุงเทพโตกรุงเทพพออายุเยอขึ้นมาแล้วนะก็ไปอยู่เมืองนอนท์อยู่เมืองนอนท์ช่วงแรกๆก็เป็นเป็นสวนเท่านั้นเลยกลางคืนเนี่ยเสียงมแมลงเสียงกบเขียดเลยร้องเจยแจ้ว่ค้างข่าวบินนกแวบกนกแสกนกเขาอะไรก็บินแล้วก็รู้สึกเออ ในสวนอย่างนี้นะมันก็มีชีวิตชีวาของมันตอนกลางคืนไปอยู่แรกๆเนี่ยได้ยินชัดเจนเลเสียงอะไรแกลกๆนั้นก็ได้ยินเพราะเราเคยอยู่แต่ในกรุงเทพได้ยินแต่เสียงรถยนต์ได้ยินเสียงแปลกปลอมแล้วสติเกิดเร็วเลยอยู่เป็อนอนานๆไม่ได้ยินละไม่ค่อยได้ยินแล้วงั้นจะไปเอาเสียงมาทํากรรมฐานเลย พอมันซ้ํำซากก็มันจะไม่ได้ยินเอากายเอาเวทนาเอาจิตเอาธรรมของเราเนี้แหล ะ, ะเสียงเป็นตัวรูปพุทจริงแต่ไม่ใช่กายของเราพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เอารูปนั่นสอนให้เอากายมาทํากรรมฐานเสียงก็เป็นรูปอย่างหนึ่งนเป็นรูปเสียงกลิ่นก็เป็นรูปอย่างหนึ่งเราไม่ต้องไปเอา ของอย่างนั้นรูปเสียงกลิ่นรสพรทภาอะไรพวกนั้ของภายนอกเราของภายในตาหูจมูกลิ้นายใจของเรานี้ทำกรรมฐานเพราะมันอยู่กับเราเฝ้ารู้เฝ้าดูสม่ำเสมอไปต่อไปสติอัตโนมัติจะเกิดแรกๆที่หัดนะวันหนึ่งือนทีสติเกิดสองสามครั้ง แล้วเราฝึกไปเรื่อยๆต่อไปสติเกิดทุกห้านาทีสติเกิดทุกนาทีแล้ฝึกให้ดีเถอะถึงจุดหนึ่งนะสติเกิดทุกขณะแต่นี้พวกเราทาไม่ได้เป็นเรื่องของพระอราหันเราทำไม่ได้ได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นโลภมากมันก็ไม่ได้ไม่ต้องโลภงั้นมีสติฝึกสติด้วยการ หัดรู้สภาวะไปสภาวะอะไรก็ได้ในกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยใช้ได้ทางนั้นแหละแต่ตัวธรรมธรรมานุปัสสนายากมันละเอียดลึกซึ้งไปอีกชั้นหนึ่งในธรรมานุปะนะัสสนานมีทั้งส่วนที่เป็นรูปธรรมทั้งส่วนที่เป็นนามนธรรมมีทั้งส่วนที่เป็นกุศลส่วนที่เป็นอกุศลเพราะั้นมันหลากหลาย ด, ดูลาบาก อย่างเราเป็นคนชีมโมโหนะเราเห็นจิตโกรธแล้วก็หายโกรธจิตโกรธแล้วก็ไม่โกรธจิตโกรธแล้วก็ไม่โกรธนี่นแค่เนี้ยเป็นจิตตานุปัสสนาจิตมีโทสะรู้ว่ามีโทสะจิตไม่มีโทสะรู้ว่าไม่มีโทสะแต่ถ้าจะให้ขึ้นไปถึงธรรมานุปัสสนานะี่ยจะเห็นความขัดเคืองใจพยาบาทผุดขึ้นมาพยาบา ท, ทะผุดขึ้นมา ก็เห็นนะก็รู้เลยว่าตัวโกรธเนี่ยมันมีเหตุอีกสาวเข้าไปอีกชั้นหนึ่งมันลึกลงไปอีกชั้นหนึ่งรายละเอียดระนิดกว่ากันมากงั้นดูลาบากไปดูตัวนิวรณ์ไม่ใช่ดูตัวกิเลสแล้วก็รู้ลึกลงไปอีกนะว่านิวรณ์แต่ละตัวเกิดจากอะไรเหมงั้นธรรมานุพัสสนาม่ใช่เรื่องง่าย ถ้าินทรียเรายังไม่แก่กล้าไม่ต้องไปนึกถึงแต่วันหนึ่งมันจะเข้าไปถึงไม่ว่าเราจะเดินมาทางกายหรือทางเวทนาหรือทางจิตสุดท้ายเราจะเข้าไปรมอนุปัสสนาน่อาจจะไม่ได้แจมแจ้งทั้งหมดหรอกแต่ไปแจมแจ้งในตัวอริยรสัจสัจจะบัพตัวสุดท้ายของธรรมานุปัสสนานั้นพระอราหารังงงนตุกองค์นีรู้แจ้งอริยสัจ แต่ความแตกฉานรอบรู้ในเรื่องต่างๆเรื่องอื่นๆ น, นไม่เท่ากันเพราฉะนั้นเราแค่เอาตัวร้อยก็บุลแล้วไม่ต้องไปคิดถึงกรรมฐานอะไรที่ยากเกินไปอย่างบางคนนะชอบปฏิจจสมุปบาทมากเลยอ่านก็อ่านปฏิจจสมุปบาทเรียนก็เรียนปฏิจจสมุปบาทพอมาภาวนาก็าจะดูแต่ปฏิจจสมุปบาท เอาอะไรไปดูสติก็ไม่มีสมาธิก็ไม่พอมันดูไม่ได้จริงมันได้แต่คิดเรื่องปฏิจจสมุปบาทนะก็คิดเพ้อๆไปคิดแล้วก็มีความสุขเพลอเลอ เ, ลอเพลินเ พ, นเพินไปนะไม่ใช่ธรรมะตัวจริงนะปฏิจจสมุปบาทคิดเอาไม่ได้มีศัสนาคิดเอาไม่ได้แต่ถ้าจะเรียนเพื่อไปสอบอะไรเงี้ยนั่นอนะท่องเอาจำเอาคิดเอา แต่ถ้าจะภาวนาเพื่อความพ้นทุกข์ชินเอาไม่ได้ต้องดูสภาวะจริงๆแล้วเวลาที่เราภาวนานะถ้าเราดูปฏิจจสมบัติมันจะเห็นปฏิจจสมบัติท่อนท้ายก่อนท่านที่ดูง่ายก็ตั้งแต่มีอายตนะขึ้นมามีอายตนะก็มีผัสสะมีผัสสะมีเวทนา มีเวทนาก็มีตัณหามีตัณหาก็มีอุปาทานมีอุปาทานก็มีภพมีภพก็มีชาติมีชาติก็มีทุกจะเห็นช่วงนี้ก่อนส่วนตรงอวิชชาเป็นปัจจัยของสังขารสังขารเป็นปัจจัยของวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยของนามรูปเนี่ยตัวนี้ละเอียดดูยากตอนหลวงพ่อยังเป็นโยมนะหลวงพ่อ หา ด, ดูไปเรื่อยนะมันไม่ได้เจตนานดูนะแต่มันเห็นนะ่ะค่อยๆเห็นมันทวนทวนทว น, ทวนเข้าไปแล้วเราเห็นจิตซึ่งมันมีตัวอวิชชาอยู่แล้วตัวนี้แหละปรุงทําให้เกิดความปรุงดีบ้างปรุงชั่วบ้างพยายามจะไม่ปรุงบ้างปรุงดีเรียกว่าปุญญาพิสังขารปรุงชั่วเรียกว่าอปุญญาพิสังขาร พยายามจะไม่ปลุงไม่กระทบสัมผัสเรอานเนินชาพิสังขารนี่หลวงพ่อเห็นนะมันผุดขึ้นมาจากจิตนี่เองสังขารทั้งสามตัวเนี้ยพอสังขารนี้ผุดขึ้นมานะแสงสว่างก็เกิดขึ้นแสงนั้นอะ่ะม่กระทบเข้ากับรูปรูปก็ปรากฏกระทบนามนามก็ปรากฏมันกระทบนามก่อนนะคือแสงแห่งความรู้สึกแสงแห่งความรับรู้ในศาสนาคริสต์ก็มีนะอันเนี้ย นะมีแสงนะแต่อย่าไปพูดดีกว่าเดี๋ยวพวกเรางงนะตรงที่วิญญาณเป็นปัจจัยของนามรูปหนูพอไปเห็นตรงที่วัดสนามใ น, นะนมันผุดขึ้นมาตรงที่มันผุดขึ้นมามันเป็นแสงนะมันไม่มีรูปลักษณอะไรเป็นแสง จับเข้าที่รูปกับจับเข้าที่นามรูปนามก็ปรากฏให้นึกถึงพรมชนิดหนึ่งนะเนียกอาัสลาพรมพัสลาพรมนี้เป็นแสงอาัสลาพรมเนี่ยเวลาที่สิ้นกับนะสัตว์ทั้งหลายสูญไปหมดเลยขึ้นไปเป็นพรมอัตโนมัติกรรมทรงไปแล้วเวลาจะลงมาเกิดเป็นสัตว์ต่อไปเนี่ย แสงนะั้นมันกระทบเข้ากรบดินมตำราจะชอบบอกว่าพระสราพร ม, มากินง้วนดินมากินดินที่อร่อยๆแล้วก็เลยติดใจเลยติดในวัตถุเลยกลายเป็นสัตว์มีรูปอย่างนี้ขึ้นมาภรัสราพรเป็นไงไม่รู้แต่เคยเห็นตัวแสงเนะี่ยมันกระทบเข้ากับรูปแล้วมันก็รูปก็ปรากฏขึ้นมาจับรูปขึ้นมาได้ นี่เป็นรายงานหลวงุู่เทศนะว่าผมเห็นจิตต้นกำเนิดแล้วแต่ยังทำลายมันไม่ได้ตัวนี้ที่หลวงปู่เทศท่านแช่มชื่นใจลูกศิษย์เรียนกรรมฐานแล้วไปถามกรรมฐานท่านผมเห็นจิตที่เป็นต้นกำเนิดแล้วผมจะทำยังไงต่อ ท่านบอกให้ให้เรียนรู้มันต่อไปดูมันต่อไปแล้วพอสติปัญญาแก่กล้ามันก็วางของมันเองท่านก็บอกอย่างนี้ตอนเย็นหลวงพ่อก็ไปเดินเล่นในวัดไปเจอพระอุปถาของหลวงปู่เทศวันนี้เจอกันบ่อยไปอาทีแล้วก็เจอท่านดูแลหลวงปูย่ยก หลวงพ่อก็บอกกับท่านบอกว่าโอ้ยผมนะเรียนกรรมฐานพอสิ้นหลวงปู่ดูลแล้วเนี่ยเรียนกรรมฐานกับครูบาอาจารย์องค์ไหนนะมันไม่ถึงใจเหมือนที่เรียนกับหลวงปู่เทศเพราะท่านเชี่ยวชาญเรื่องจิตเรื่องใจจริงๆท่านสอนแต่จิตเรื่องจิ ต, เ ร, จตเรื่องใจนะีสอนมากเลยบอกว่าหาครูบาอาจารย์ที่ตอบปัญหา เรื่องจิตเรื่องใจเนี่ยนะได้ถึงอกถึงใจนะหายากจริงๆมีหลวงปู่เนี่ยแหละหลวงปู่เทศเนี่ยนะท่านก็เลยบอกว่าตอนหลวงพ่อลาออกจากหลวงปู่เทศออกมาข้างนอกนะหลวงปู่ก็บอกท่านนะว่าคนที่ถามก็มาามฐานได้อย่างหลวงพ่อมีไม่มากนะถ้าท่านมีลูกศิษย์อย่างหลวงพ่อเยอะๆนะท่านจะอายุถึงร้อยเลยท่านมีธรรมปิติ ท่านก็ขานะว่าลูกศิษย์ก็ชมอาจารย์นะอาจารย์ก็ชมลูกศิษนยะ์เราบอกวนะ่าท่านตอบเก่งไม่มีใครเหมือนเลยนะท่านก็ว่าเราถามเก่งเนี่ยค่อยๆหัดนะค่อยๆหัดภาวนาจุดตั้งต้นทั้งหมดเนี่ยมันมาจากสติพอมีสติถูกต้องแล้วศีนจะเกิดสมาธิจะเกิดปัญญาจะเกิดขาดสติตัวเดียว ขาดศีลขาดสมาธิขาดปัญญางั้นเราพยายามมาฝึกสติของตัวเองให้มันเกิดบ่อยๆด้วยการทํากรรมาฐานอย่างหนึ่งอย่างนั่งอยู่ก็คอยรู้สึกตัวไม่ใช่นั่งแล้วก็ใจลอยเลื่อนเปื้อนไปนะยืนเดินนั่งนอนคอยรู้สึกตัวไปเรื่อยๆนะหรือจะดูนมามธรรมสุขทุกข์ดีชั่วอะไรผุดขึ้นมาคอยรู้สึกไปเรื่อยๆ แล้ต่อไปสติอัตโนมัติจะเกิดพอร่างกายขยับเนี่ยสติก็จะเกิดพอนามธรรมใดๆผุดขึ้นมาสติก็จะเกิดพอจิตผู้รู้เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงทํางานไปเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งเป็นผู้ดูผู้ฟังผู้ดมกลิ่นผู้ลิ้มรสผู้รู้สัมผัสทางกายผู้คิดนึกทางใจสติก็จะเกิดเองเกิดไปจนกระทั่งสติอัตโนมัติเกิด พอสติอัตโนมัติเกิดนะศีล ส, สมาธิปัญญาเนี่ยสมบูรณ์เองนะแล้วถึงจุดนั้นเนี่ยเราอยากเร่งความเพียรเราก็เร่งไม่ได้ไม่มีทางเร่งความเพียรมากกว่านั้นแล้วที่เหลือเนี่ยมันอยู่ที่บุญบา ร, รมีของเราสะสมมาพอไหมอินทรีย์เราแก่กล้าพอไหมไม่มีใครทํามรรคผลให้เกิดได้นะพระพุทธเจ้าบอกนะไม่มีใครทํามรรคผลให้เกิดได้ มาผลเกิดเองนะเมื่อศีลสมาธิปัญญาของเราสมบูรณ์ศีลสมาธิปัญญาจะสมบูรณ์ได้ต้องมีสตินะต้องมีสติเพั้นฝึกสติให้มากบทเรียนในการฝึกสติท่านเรียกว่าสติปัฏฐานเบื้องต้นสติปัฏฐานนะฝึกไปเพื่อให้เกิดสติเบื้องปลายทําให้เกิดปัญญาฉนะนั้นถ้าตราบใดที่ยังมีผู้เจริญสติอยู่โลกจะไม่ว่างจากพระียบุคคล ยังฝึกเข้าวันนี้สมควรใจเวลานะ เ, าเท่านี้ก่อนพวกอยู่บ้านอย่ากาดตกนะยังต้องระวังรักษาตัวเองนะอย่ากาดตก